กับคุณล่าว่าพระเลนตาใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออนุโมทนาการน้องพ่อผู้เป็นประธานได้รูครูบาอาจารย์ทุกๆท่านน้องพ่อน้องพี่ทุกๆท่านเจริญพรอุบาหม่ทีบาทุกบาตริกาทุกๆท่านนั่งตามสบาย อากาศหาวก็ไม่รอนนะนสบายใจดีนอนอุ่นดีสบายดีแต่ถ้านนอนนี่นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ดีอ่ะนอนเนะี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัติ วันคืนล่วงไปล่วงไปบัด น, นี้เราทําอะไรอยู่ภาษานั้นก็แล้วภาษานี้ก็แล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นใช่ไม่ได้ต้องให้พยายามการประพุทธปฏิบัตินี้เอาใจใส่หน้าที่ของเรามีคือการปฏิบัติเท่านั้นมากที่สุด ีพยายามตั้งอกตั้งใจขยันหมั่นเพียรทุกยากลําบากขนาดไหนแล้วก็ไม่ต้องกลัวอุต่าห์ทุกทนให้เป็นได้มีขันติมีความเพียรให้ดูตัวเองให้ไปในมาไหนก็ให้ดูตัวเองอย่าปล่อยใจให้มันเที่ยวท่องเที่ยวไปสร้างพบสร้างชาติมันบาป ตัวบาปคืออะไรก็คือใจิตใจของเราไม่ได้อยู่กับเรานี่แหละมันไปหาเอาของเรื่องของคนนั้นมาคิดกับคนคนนี้มาคิดอันนั่นแหละตัวบาปอ่ะไม่มีใครเห็นน้ำกันตามกันดอกมีของขครของมันดูเอาเออคนรักคนนั้นชังคนนี้อิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนีน้อันนั่นแหละตัวมันตัวสำคัญอย่าไปทำอย่างนั้นเราอยู่ด้วยกันให้มีความสมัคร ส, ารสมานธรรมทีกันเ อ, อ มันอยู่หลายคนมันก็ไม่ค่อยอยู่กับตัวเองมันไปดูคนนั่นไปดูคนนี่อันนั้นมันผิดให้ดูตัวเองนั่นแหละตัวท่องเที่ยวไปหาอิจฉาคนนั่นอิจฉาคนนี้ในตัวบาปตัวสัตว์นรกนรกนี่มันไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความที่ไม่ดีนั่นแหละความเดือดร้อนความอิจฉาพยาบาทความเห็นแก่ตัวมีทิฏฐิมณนะถือเนื้อถือตัวไม่ เคารพยำเกงไขรทั้งหมดนั่นแหละตัวตัวสำคัญมันเผาหลนในกิจตัดสนดานของของเรานะนะไม่ไม่รู้จกักยิ่งคิดมากยิ่งสนุกมากอันพวกในโลกนั่นนะมันไม่ที่อยู่ไหนโดยเราเราเรามาสร้างเอาทุกอย่างทุกอันเลยที่เรามามาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราไม่เห็นคนเราทุกคนไม่มีใครจะมาทาทางให้กันได้ เราสร้างขึ้นมาเองในโลกเราก็สร้างเองพวกตะเดรานพวกเปรตพวกอสุรกายเราสร้างขึ้นเองหมดเลยนำมาทาขึ้นเองเราไม่ได้มีให้มีใครมาสร้างให้อันนี้แหละเป็นโรคร้ายที่สุดทำให้เดือดโอดโลกเดือดร้อนอีจ้าคนอื่นอีจ้าตัวเองแล้วก็ไปอีจ้าคนอื่นอีกให้เราเอาดูเอา เนี่ยเราสร้างขึ้นเองเท่านั้นกรรมเวรที่เรามาบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาทําเล่นๆกินข้าวเข า, เขานอนนอนเฮียนนอนเรียนท่านสร้างไว้ให้แล้วเข้าวก็กินเข้าของพระพุทธเจ้าเราต้องพยายามทําตัวให้มันเป็นอย่ามาสร้างความทุกข์ให้ตัวตัวคนโดยเองและตัวผู้อื่นอันนั้นแหะตัวบาป ให้พยายามทำคนงามความดีเนี่ยให้เอโหสิให้ไพ่ซึ่งกันและกันไม่เอเบียดเบียนอยู่ที่ไหนที่ไหนคนเยุทธิดเทียมข้างตัวเองนั่นน่ะให้เขาได้สบายด้วยเอาใจใจตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ได้บางคนนะอย่างที่งพ่อเคยมาอยู่ติก่อนตั้งแต่ก่อนไปอยู่ที่ไหนกันน่ะมาดูตัวเองเนะี่ยบ้าน เนี่ยบ้านพักที่เพื่นท่านให้เราอยู่เนี่ยก็ไปหึงไปหวงใครไปอยู่ด้วยก็ไม่ได้อันนั้นนะ่ะมันบาปมากที่สุดเลยแล้วเราพวกเราเราอยาให้มันเป็นได้เป็นแบบนั้นนะ่ะมากินข้าวพระพุทธเจ้ามานอนบ้านของพระพุทธเจ้ามาทำความชั่วเนี่ยมันจะให้มันบาปขนาดไหนให้เราพยายามทํา ให้มันสะอาดจิตใจของเราเนะ่ยมันโลกมันไม่โรคที่ไหนดอกโรคที่ใจเราทําให้จใจเราหมูดเราเนา่คิดมันเดือดร้อนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรามันลนมันไหมมันเผาจิตตะตันดานของเราใครมาพูดไม่ได้ใครมาสอนไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้มันเป็นเองบางคนก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเป็น เราก็มีแต่ความมณะนะความตื้อเน้อตื้อตัวความหึงความหวงตสละพัดเราอย่าเป็นอย่างนั้นให้มันได้ให้มันได้ของดีไปมาอยู่ที่วัดเนี่ยต่างคนก็ต่างทําคุณงามความดีนี่ยก็อยู่ที่นี่ก็สบายใจเป็นพระ ก, ก็ดีเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรก็แล้วก็ก็เหมือนกันน่ยไปทําอยู่บ้านปุ๊ คนนั้นหลังคาเรือนก็ยังไปอิจฉาเขาอยู่ก็มีมันสร้างนั่นถ้าพวกอยู่ทางนอกถ้าพ่ออยู่ทางในเาอยู่ด้วยกันหลายคนเนี่ยต่างคนก็ต่างเอาใจกันอาหาสีซึ่งซึ่งกันและกันใครว่าใครว่าแล้วผ้าผิดว่าถูกเราก็ฟังอยู่เอาไม่ต้องไปขัดคอกันไม่ต้องไปว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ดีคนนั้นถูกคนนี้ผิดไม่มีถูกไม่มีผิดคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ย ถ้าเราไม่พูดไม่ปากเลยก็ไม่เป็นไรนะความปากนี่สำคัญที่สุดเลยนะให้เราพยายามดูคุณงามความดีช่ยกันของอะไรที่ใช่เป็นของสงฆ์ตลอดท้งวัดเราด้วยทำความสะอาดแล้วก็สิ่งของอะไรมันว่าก็เจ็บช่วยกันดูช่วยกันอันไหนมันของที่เอาไปทิ้งไว้ที่ พักที่อยู่แล้วหนีไปออกจากนี่ไปก็ไม่เจ็บไม่ล้างก็มีมันมันเป็นอยนั้นอย่างที่หลวงพ่อเคยเห็นมาแล้วบอกแล้วก็ไม่เอาดอกคนที่ไม่มีมีสันดานหยาบนะอย่าไปเอาอย่างคนนั้นเราช่วยกันช่วยกันเรามาอยู่นี่เป็นที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยพวกบ้านอื่นเข้ามาเมืองอื่นเข้ามาจังหวัดอื่นไกลๆเขาก็าามาประเทศอื่นเขาก็าามา เขามาเบิงเขามาดูตัวเราเนี่ยแหละดูพวกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขามีความสมคิดไหมปองดองกันไหมทําอะไรเนี่ยเขาดีต่อกันหรือไม่มีคนมาพูดให้หลวงพ่อฟังโอ้ยน่าเขารบน่าอยู่วัดเนี่ยหลวงพ่อไปที่อื่นไม่นี่ไปเหมือนนี่อันนี้นะพระเนร์นก็ดีเก็บป่วยเนี่ยดูกันดีดีเขาว่าเนี่ยเขาน่ะ แต่ความเดียดีเขาก็ยังว่าให้หราฟังแต่เราอย่าให้เขาเอาความชั่วนั่นแหะของเราไปพูดทั้งอื่นอย่าให้มันไกลของอยู่วัดอยเอาไปพูดทั้งนอกบ้านของนอกบ้านอย่าเอาเข้ามาในวัดต่างคนต่างรักษาช่วยกันคนอื่นเข้ามานี่ให้เขาเห็นเอาเห็นความดีเอาความดีของเรานี่ไปเผยแพร่ช่วยกันถ้าความชัว่วเขามาทาลาย เนี่ยมันมันไม่ยากหรอกคนทําลายของมันออกจากปากคนเนี่มันมันไปไกลเขามาเขาไม่ใช่มาเฉยๆแล้วเขามาดูสถานที่มาดูคนดูการทํางานทําการด้วยกา ร, รพิพิธภัติเนี่ยเขาปฏิบัติจริงไหมเนี่ยเขาก็เอานี่แหละโอ้ยวันวัดนั้นวันนั้นอย่าไปเถอะไม่มีคนสอนไม่มีคน ดีเลยบิดตะคนอิจฉากันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้หาที่อยู่เขาก็ไล่หนีก็มีเขาว่างเมีโว้ยเทียน่านั่นแหละให้จาไว้ช่วยๆกันมาอยู่วัดต้องสร้างความงามคุณงามความดีให้วัดเราทาชั่วลงไปก็เรามาทำลายความดีในวัดให้เราคิดออกเนี่ยแม่ชีท่านมาแต่ไกลๆ ก, ก็มีอ มีแต่มีแต่บ้านอื่นทั้งนั้นแหละไม่ไม่ใช่ไม่ไมีบ้านที่เราไปไปคิเนี่ยมีทึ้งใบ้านอื่นมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้เป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันนี่แหละหลวงพ่อพระทหลวงพ่พอท่านอุตส่าห์พยายามมาสร้างมีกุฏิมีศาลามีอะไรดีๆให้เราอยู่เนี่ยดีสบายสะดวกทุกอย่างเลยเราต้องการอะไรหัวงพาอหลวงพ่อเราอะต้องการอยากให้คนมาพุชประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวนี้ท่านเท่าท่าน แก่แล้วก็อาศัยลูกจิตลูกหาให้สอนให้อท่างก็เหยียอายมาแล้วก็มาเทศให้เราฟังเวลาเช้าวเวลายเย็นเนี่ก็พอแล้วหลวงพ่อเราน่ะหาหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อหล่ อ, น, น, อ, อนี่หายากผมว่ามีประเทศไทยเนี่ยแต่ในเขตในเขตภูมิเนี่ยหลวงพ่อพอนี่คิดว่ามีมีองค์เดียวพอใจเลยกับหลวงพ่อเนี่ย เทศก็ไม่เทศเหมือนเหมือนคนอื่นเขามีแต่เทศทางจะหลุดพ้นทั้งนั้นไม่มีมามาณฑิติตงของหลวงพ่อเขาเนี่ยไม่มีเลยเาเราคารบท่านอยาเอาความดีม า, ม า, ม, ามาปะปนไว้เอาจริงให้หมดช่วยกันพ่อเราทำยังไงเราก็ต้องทำตามพ่อเราดูอย่างท่าน แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนให้มันเป็นไม่มียากเลยหลวงพ่อเราเนี่ยมีตาถอนถอนวิปัสนาให้ทั้งนั้นสมถะอะไรท่านไม่ให้ไปติดอยู่ในสมถะเรายุ่งอยู่นี่ก็ไปติดอยู่กนนรร ม, มาฐานนั่นแหะสมถกรรมฐานมาปฏิไปปฏิบัติไปแล้วก็ไปติดดีติดทั่วติดสรพัอแต่ว่ากันเล็กๆน้อยๆก็ยังเอาไปติดแล้ว ว่าเข้าใจธรรมะแล้วก็มีนั่นแหะมันเป็นอย่างนั้นนะอย่าเอาไปติดให้มันมีอยู่เฉยๆใจของเราใบางเป็นปกติไว่สิงไหนที่เกิดจะเกิดก็ให้มันเกิดเนี่ยดูท่านแหละสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับนี่คืออะไรก็เราทําอยู่ทุกวันทุกวันนั่นแหละมันทําใหเา้เราเกิดของที่เป็นอดีตเราก็ยังมาคิดอยู่อนาคตยังไม่มาถึงก็ไปนึกเอาคิดเอา นั่นมันเกิดอาการเกิดไม่ใช่อารณ์เกิดก็เกิดดีเกิดชั่วเกิดเจ็บเกิดบ่อยเกิดเหนื่อยเกิดอะไรต้าอะไรฟ้าตั้งแต่มันจะเกิดอยู่ในใจของเราเนี่ยให้ดูเรารู้เกิดเมื่อใดเป็นทุกข์เมื่อนั้นเกิดเมื่ออะไรเป็นทุกข์เมื่อนั่นไอ้ดีมันก็ไม่กับชั่วมันก็เท่าๆกันนั่นแหละถ้าเรามันมันดีเนี่ยก็ไปติดดีติดดีเนี่ยก็ถ้ามัน ไปติดีเนี่ยไม่คนคนว่าอื่นเขาว่าเราไม่ดีเนี่ยก็ไปโกรธไปเขาเท่านั้นเนี่ยไม่มีสิ่งที่จะเอาหรอกดีก็ให้มันดีเลยดีไปดีไปเรื่อยๆไปถ้าเอาเดีไปยึดมั่นสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ตามไปเหมือนกันนหละมีถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้ามีทุกข์มันก็มีทุกขถ้ามีทุกข์มันก็มีทุกข์ ถ้ามีเดือดร้อนอันเย็นมันก็มีอย่างตรงปู่ว่าท่านว่าพ่อว่าพูดให้เราฟังสุ ข, สขวันถุกันเลยท่านอยากอยาให้เราสลัดออกทิงท้งทิ้งซะสิ่งที่โสโครกเผาจิตตันดานของเราอยู่เนี่ยเอาออกให้หมดอย่าเอาเลยมันไม่ดีหรอกมันเป็นพิษเป็นภัยมันใส่ไล่ไปสี่ตัวเองมันฆ่าตัวเองก็ไม่มีใครธรรมธรรมเราดอกเราทำเองเท่านั้นแหละให้ดูกินอ้อ ใครทำใครได้ปะเนี่ยใครไม่ทำใครไม่ได้ความดีความชั่วก็เหมือนกันทาชั่วก็ได้ชัว่วทําดีก็ได้ดีเนี่ยมันไม่มีไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีแอนอื่นหรอกมีแต่เกิดจากเราทั้งนั้นโลกนี่มันเดือดร้อนเพราะอะไรเดือดร้อนเพราะว่าคนไม่เห็นใจตัวเองเรามาฝึกนี่ก็ามาฝึกดูใจของเราใจมันล่ใจมันดีใจมัน ไปไหนล่ะมันท่องเที่ยวไปที่ไหนไปถึงที่ไหนแล้วเนี่ยมันสร้างภพไม่สร้างชาติมันไม่มีใครจะมาสร้างให้เราเลยเกิดมาเนี่ยยังไม่เกิดก็ยังไม่ได้สร้างหรอกถ้าเกิดมาเราก็สร้างเลยสร้างภพสร้างชาติชิดเรื่องนิ่นชิดเรื่องนี้ชิดเรื่องดีชิดเรื่องชั่วชิดเรื่องอิจฉาชิดพญบาดสารพัดนั่นแหละเขาว่าสร้างภพสร้างชาติเออสร้างมันมันไม่เข้าใจ ถ้าเราไม่มีความคิดเนี่ยเราเห็นเท่าทันความคิดน่คือเราเข้าใจแล้วเข้าใจไม่ได้สร้างอีกต่อไปแล้วพบขาด ต, ต่อไปพอคิดปั๊บมาเห็นปั๊บมันจะขาดออกไปเลยถ้าคนไหนทำความเพียรมากๆอยู่กับตัวรู้สึกเนี่ยยกมือก็ให้มันอยู่กับยกมืออย่าเอาใจให้มันออกไปนอกเดินไปก็อย่าให้มันใจออกไปนอก ให้พยายามทำให้มันอยู่กับตัวรู้สึกการเคลื่อนไหวด้วยวิธีใดก็ตามเอาใจตามเอาจิตใสใจตามให้ใจของเราให้มันจอดจองดูด้วยดูดูจิตดูใจของเราเนี่ยเวลาเดินก็ตามเวลานั่งสร้างแก้วอยู่ก็ตามหรือไปทำงานก็ตามเราทำงานดูเราก็ต้องให้มันอยู่กับการกับงานแท้เดินไปไหนมาไหนก็ให้มันกำหนด ตัวอยู่เรื่อยๆไป้ามันออกไปนิดหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาเราให้เราเห็นอจิตของเรานะนะเอ <c oughs> เราทำด้วยความว่างทำงานนะ่ะทำตามหน้าที่ของเราเค okay. ไม่มีความเดือดร้อนอะไรอย่าอะไรขึ้นมาเราให้เรารู้เลยความไม่ดีเข้ามาเหนือความดีใจความเจ๊งใจขึ้นเกิด ข, ขึ้นมาเนี่ยก็มันที่เป็นของที่ไม่เที่ยงหรอกไม่ดีก็ไม่เที่ยงจั่วก็ไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนด้วยนก็ให้เราเห็น ถ้าใครไม่มาปฏิบัติก็ไม่เห็นเลยถ้าเรามาปฏิบัติเราก็เห็นท่านท่านดูตัวเองเมื่อก็ดูเป็นเมื่อก็เห็นถ้าดูไม่เป็นเมื่อก็ไม่เห็นให้พยายามทําดีในปัจจุบันขณะขณะขณะเนี้ยครับแล้วเมื่อก็ความว่างเมื่อก็จะเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรเราอยู่นี่อะอะไรเกิดขึ้นมาเรารู้เท่ารู้ทันแล้วเมื่อก็ค่อยหนีไปเรื่อยไปอยู่กับ การกระทำของเรานี่แหละความขยันขันแข็งความเนี่ยพยายามอย่าให้มันจะลืมจะลือถ้ามันเหงามันไม่สว่างเนี่ยอย่างเนี้ยมันพาพามันเป็นเข้าไปเป็นเข้าไปอยู่กับมันแล้วก็ไม่นั่นแหละก็อาศัยกายนี่แหละทําทำหนึงแรงถอยหน้าถอยหลังไม่มัน โศกมันเจ้าก็พามันวิ่งหือทําแรงแรงอย่าพามันไปจะลืมสะลืมอยู่เบิดวันเบิดคืนไม่ได้ให้เราพยายามไม่มีใครทําให้เราหรอกของที่มันพาเราขี้เกียจขี้คานเนี่ยเราก็ทําได้มันโศกมันเจ้าเราก็ทําให้มันตื่นก็ได้ทําแรงแรง ถ้ามันไม่ไม่เอาใจเรามันเมาแต่ไปสรึมตื่นอยูกระเพาะมันวิ่งทีวิ่งถอยหน้าถอยหลังวิ่งไปให้มันร่มตายไปมันมันขวมก็เหงาเขานอนก็เหมือนกันทําให้มันปลุกให้มันตื่นปลุกกายให้มันตื่นปลุกใจให้มันตื่นให้มันโศกมันเศร้าเอหลวาปู่ไวยหลวงปู่เทียนแล้วว่าให้ขึตาไก่ปลา ย่าเห็นมันคือตาตาไกล้เป็นไกล้เหงาไกล้เป็นหานแล้วว่าเนี่ยตาพวกเขาเนี่พวกมันักปฏิบัติเนี่ยพอนั่งเข้าไปนี่รับตาซึมงงเงาง ง, างทั้งนี้คือกับกล้เหงาล่ะไกล้เป็นภากนะมันเหงายูที่เขาตีนไปต่อๆนะกุกเล่นกชัวกุชไปไ ป, ไปเหงาอีก ว่านั้นโอ้ยตาใครปาน่บอได้เห็นคนเดิบินปังเลยอะแววมีแววจะเป็นโง่เราทําขึ้นเองทั้งนั้นแหละอันนี้ก็เราก็ทําขึ้นเองความจิกเหติข้านะก็ทําขึ้นเองความโศกความเศร้าเราก็ทําขึ้นเองไม่มีใครทําให้เราเลเยบางคนก็ไปเอาของคนอื่นมาแบกไว้ก็เกิดโศกเศร้าเสียใจไป <c oughs> ท่านน่ยอย่าไปสร้างมันสลัดทิ้งจ้ะให้เราพยายามทำดูกายดูใจของเราเนี่ยโดยมากเลยนี่มันจะลืมดูกายเนี่ยหลวงปู่ท่านให้สอนสอนนี้ให้ดูดูรูปดูน้ำนะให้ขึ้นเห็นที่แรกเนี่ยให้เห็นรูปเห็นน้ำขึ้นชัดๆเลยแล้วก็เห็นรูปทำน้ำทำเห็นรูปโลกน้ำโลกเนี่ยเห็นทุกขังอ น, นิจจังอนัตตา เนี่ยท่านเห็นเป็นขั้นเป็นขั้นเลยท่านสอนตั้งแต่ข้างหลวงพ่อไปอยู่ท่านกับท่านอแล้วก็สอนเห็นส ม, มุดเห็นส ม, มุดแล้วก็ไปเห็นศาสนาไปเห็นศาสนาก็ไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็ น, น, หนไม่สงสัยเละโลกิยาของเราเนี่ยบูหลายแท้แวุ่นอยู่นี่แหละทั้งดีทั้งชั่วเออ ทั้งชั่วทั้งดีติดทั้งชั่วทั้งดีหมดเลยจองเวนจองกรรมกันหมดอยู่นี้แหละบางทีดีบางทีชั่วบางดีดีใจบางทีเสียใจบางทีชาวประยาบาดบางทีสงสารโอยสารพัดมันเกิดขึ้นมาสลับซับซ้อนกัน อ, อยู่ในเมืองอันนี้เมืองเมอืองเราขยานเนี่ยนี่พวกเรามานี่มันดีนะเนี่ยถ้าพวกที่เขาได้บาปไม่ได้บาปน่ะเขาจะนอนแค่อยู่จริงนอนนั่นแหละออกไม่ได้ รักก็ออกจากรักไม่ได้ชังก็ชังก็ออกมันไม่ได้ยึดมั่นถือมันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นน่ะอยู่อย่างนั้นตลอดไปเลยโอเป็นมันเป็นหน้าหน้าหน่ายหน้าหน้ากลัวเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาดีเมื่อไรพวกเราเกิดมาเนี่ยถ้าไม่มาแบบทำมาม า, มาศึกษาพวกเราเนี่ยมาสร้างพบสร้างชาติสร้างความทุกข์ความสร้างเวียนสร้างกรรมใตัวเองทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดมาดีหรอกอืม เห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วสารพัดตั้งแต่เขาจะจะจะทำลงไปเขาติดไปทุกอย่างเนี่ย น, นี้แหละจนว่าพระพระุทธเจ้ามาติดอยู่ในป่านี่แหละออกมาได้ไปไหนก็ออกมาได้เข้าเข้ามานี่แล้วมีพวกปีศาจไล่เนี่ยเป็นผู้ดูแลรักษาอยู่เนี่ยใครไม่ดีเขาก็ มาไม่ให้ อ, อุกฤษฎีนัยนแหละอยู่นี่แหละอยู่ในป่าใหญ่เนี่ยป่าใหญ่นี่คือความคิดคือกฎจริตเรานั่นน่ะไปติดอันนั้นเป็นอิตธเนีไปเป็นอุปทานไปยึดสิ่งดีบ้างคิดสิ่งชั่วบ้างทั้งสีแกทั้งรักทั้งชังออพันกันไปเลยิริตพันห้าตันหาร้แปดปันอยู่ที่ไหนนาะมันก็อยู่ที่นี่แหละบกวนเวียนไหวใจเกิดจนนีพบในชาติแต่ไม่รู้จักจบไม่นิบเดือดจากรสิ่นนี่หละ จะไปทำคุณงามความดีออกมาทําความดีอย่างเราเนี่ยมาไม่ได้กว่าจะไม่ได้อย่างนั้นก็จะไม่ได้อันนี้การงานก็ขาดเงินทองขอ ง, ของใช้ก็ขาดไม่ได้มายากเนี่ยแต่อยู่บ้า น, นแท้ก็ไม่ไปทำนั่นแหะจึงปฏิบัมาทําความดีแบบนี้ไม่อยากมามาคนนอนต ล, ลอดวันก็มีไม่ไปไหนมาไหนหรอกไม่มาศึกษา เออาไปเอามาบาดแฉกเข้ามาแจ่เข้ามาแล้วอยากมาวัดแล้วบาดเนี่ยเห็นคนนั้นตายเห็นคนนี้ตาย ต, ายตัวก็จะตายเหมือนกันก็อยากมาวัดอยากมาหาพระอยากมาดูหัดดูจิต ด, ดูใจตัวเองมาก็มาไม่ได้แล้วบัดเนี่ยเท่าแก่มาแล้วจะอาศัยใครใครอาศัยตัวเองเกิดมาทุกวันเมื่อต้องแก่ทุกวันพอให้เวลาล่วงไปล่วงไปจนแก่จนเท่ า, จ น, ทาจนจะตายแล้วจึงค่อยมาจิดเห็นคุณงามความดี มันก็มาไม่ได้มันก็ทํำมาได้เลยเอาไปมาตายซ้ําตายแล้วมันจะทําได้ไหมป่ะเนี่ยไม่ได้ได้เกิดมาเสียชั์เกิดเฉยๆไม่มีท่าเนี่ยพวกเราพยายามมาแล้วอ่ะบุญหลายเนี่ยเนี่ยการเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่มันกลายมาแล้วมันมาเอ า, เ อ, าออกไปเพราะใดไม่ออกมันเช็ดเพราะใด สิ่งที่มันพานไปแล้วเน่ยมันเบิดแล้วเราจะเอาอย่างบานเนี่ยนี่เลียปีศาจร้ายอ่ะความแก้ความเก็บความตายเขาเนี่ยคือการเวลากินล้วงไปเบิดเอาไปเอาไปกืนกินเบิดเขาเอื้อเพื่อพวกปีศาจพราะปีศาจนี่คือการเวลามันเมื่อกือนไปเบิ้ดชารปะเชงอยู่ในโลกเนี่ยตัวของมันเด็กมากืนหัวมนไปบ่มีอย่างจีรอดไปได้เลย ต่างอันต่างมลนะไปเบิดบึงสอดหลายไปเบิดชนใหม่ผู้เขาหอยน้องคล่องบึงโอ้ยตาละพัดอยู่ในโลกเนี่ยสลายไปเบิด บ, บ, บ, บ, บ่มีอย่างบ่มีอย่างเลยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะนั้นแหละคนเกิดมศาศีรษะเกิด น, นี้มันคือคนไม่ได้ทําคุณงามความดีนั่นแหละทําแล้วก็ไม่รู้จักสิ่งที่จะเอา ทำแต่ไรแต่น่าแต่รวดแต่ทวนไปใ ห, ใ, ห ใ, หให้อยู่เลี้ยงกินเลี้ยงคีย้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วก็อิจฉาพยาบาทกันแย่งแย่งชิงกันเป็นใหญ่เป็นโตไปกับนั้นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าเป็นนายเป็นหน้าที่อะไรทุกอย่างชิงกันขึ้นปีนกันขึ้นข่าฟันนั้นแทงอิจฉากันมันไม่รู้จักอะไรเลย มาคิดดีแล้วน่าหน่าหน่าสงสารมนุษย์มานาพระพุทธเจ้าท่านสงสารเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาได้ง่ายๆเกิดมาอยากให้ทําคุณงามความดีอยากมาประพฤติปฏิบัติก็ไม่มาเนี่ยพุทธศาสนาเราเนี่อยากให้มันจเจริญงอกงามใครๆก็อยากได้แต่ไม่มาทําคุณงามความดีทำแต่แดงเดียวให้ทานนักษาจิ๋นเนี่ทานนักษาจิ๋นเนี่ย เกิดมาก็มาบรสวนเวียนไหวแต่เกิดอยู่ในพวกละชาตินี้แล้วไม่ได้ไปไหนมาไหนแล้วก็กินของเก่านั่นแหละมาทําของเก่ามากินขเขาเก่ามาสร้างกรรมสร้างเวีนให้ตัวเองแล้วก็ไปใช้ชาติใช้อันนั้นตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นี่แหละพวกวนเวียนไหวอย่างนี้ม่เห็นเจ้าของตัวเองจักตีเกิดมาโดครัง้งผลนวนก็ไม่เห็นตัวเองมันเป็นอยู่ย อ, อย่างนี้เนี่ยเมีองโลกิยะทำาะไรก็ทำแต่อย่างนี้ อันจะมานี่แหละต่อชีวิตคุณโยมที่เราเขามาปฏิบัติเนี่ยนี่แหละมาต่อชีวิตของเราแท้ๆเนี่ยปร่งยอดถ้าเราไม่มาเนี่ยก็เขาเรียกว่าตานยอดด้วนมาก็มามันไ็ได้แค่เก่านั่นแหละอยู่มันไม่ไปที่ไหนแหละเกิดมาก็มาใช้าเจ้ากรรมกันแล้วก็ตายไปมาสร้างอีกเกิดมาม า, มาสร้างมาสร้างนี่ไม่ใช่ว่าอะไรด้เกิดมันนี้มาสร้างกรรมตัวเอง ส่วนที่คนที่คนดีดเนี่ยเขาเข้ามาแบบนี้นหะมาพวกเราหาพวกเราเนี่ยนี่มาต่อชีวิตตรงตัวเองเพราะจะอยากออกจากโรควันนี้แหละมาอยู่เนี้ยโลกที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยไม่อยากเข้ามามันเลยมันวุ่นวายสับสนมันเฉ็นข้ารลาวีกันเนี่ยทาความเดือดร้อนให้กันดูวะพวกเราอะดูอ่านหนังสือพิมพ์นะมันยิ่งไม่อยากจะอยาอ่านเลยหลวงพ่อ อ่านนอ น, นอนไม่หลับนั่นแหละพะยายามทําคุณงามความดีให้ตัวเองให้มันได้ไม่มีใครจะทําให้เรารอกได้ก็ได้อย่างเราเป็นคนนี่แหละเป็นเทวดาก็ไม่มีโอกาสหรอกครับเป็นพระอินทร์พระพงษ์ว่ามีโอกาสดอกให้เราแนวแนวเราเนี่ยมีโอกาสแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยโอกาสที่จะไปนิพพานได้ เพราะนั้นเขายัางเจ้าจะมากลับมาเกิดอีกนะมาเกิดอีกมาสร้างอีกเอาคุณงามความดีอีกเจ้าเนี่ยดีบเร่งเข้าละผมพบเม่อนี้ก็อันอันผิดอันถูกบ้างก็ถ้ามันผิดพลาดอภิปรายเขก็ขออาภายัยขอยุติเพียงชนี้เอวังกบีด้วยชะกาลประการชดี